ที่บวรบําโบราณท่านถือกันมาตั้งนมนานนะมาถึงพวกเราพวกเราก็ควรจะเชิดชูบูชาพระสิญหห้าของพระพุทธเจ้ามีคุณค่ามีประโยชน์จริงให้เรานึกดนึกดูกันแล้วกันในเมื่อเราไปฆ่าเขาเหรอใช่แล้วก็ชะใจพอเราไปฆ่าเขาเนในเมื่อเขามาฆ่าเราละ่ ะ, เ, ะเรามีความรู้สึกยังไงมาฆ่าพ่อพฆ่าพ่อแม่พี่น้องลูกหลานของเรา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 ภคมีความโลภในใจเนี่ยแหละโลภอยากจะได้ของเขาพยาบาทปรองปลองร้ายเขา่เขาเห็นเขาได้ดีเหนือกว่าเนี่ยเบียดเบียนเขาเนี่ยปรองร้ายเขาแล้วก็เห็นผิดอยากทํานองครองทำอันนี้คือความคิดความคิดคิดผิดคิดที่ไม่ดี่แล้วก็การทำไม่ดีคืออะไรคิดฆ่าคนอื่นคิดขโมยคนอื่น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 ให้เข้าใจว่าการไหว้พระอย่างพระอุปกุศหลวงพ่อเคยยกพระอุปกุศอยู่ใต้ดินใต้น้ำใต้ทะเลท่านมีอิทธิฤทธิ์เทนี้นพญามารก็มารบกวนคู่คนเวลาจะทำบุญทำทานเขาก็เชิญเชิญขอให้หมนพระอุปกุศมาให้ปราบพญามารพญามารก็มารังควานเขาจริงๆพระอุปกุศก็เลยแขวนหนังหมาเน่าใส่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 คนอื่นพระอุปคุตอ้าวสารภาพอย่าทําสิ่งที่มันไม่ดีเมื่อพญามารยอมรับแล้วก็นี่พระอุปโคุตก็แกะหนังหมาเน่าออกจากขอพญามารจากนั้นพระอุปคุตก็บอกว่าเอ้ยพญามารสมัยเมื่อพระพุทธเจ้าได้ตรัสรู้เนี่ยได้ยินว่ามารพญามารเนี่ยมานลังแกลังควานพระพุทธเจ้า ใช่ไหมนางตันหาราคาอรดีพญามารมาชิงมาชิงแย่งชิงบัลลังก์พระพุทธเจ้าสมัยนั้นน่ะแต่เราเกิดมาทีหลังเนี่ยเรายังไม่เคยเห็นพระพุทธเจ้า เ, เธอจะจําแลงให้ดูให้เห็นให้เห็นได้ไหมพญามารบอกว่าได้เพราะเคยเห็นพระพุทธเจ้ามีรูปลักษณะอย่างไรอากับกิริยาอย่างไรอแต่นี้